Thank mm -hmm. you. ก็ปฏิบัติทำการสอนตัวเราเองบ้างคนอื่นสอนบ้างการสอนเองได้หนี่ดีที่สุดดีกว่าคนอื่นสอนการจเจริญสติก็ไม่ใช่สอนเฉยเฉยจะเกิดการพบเห็นจะเกิดการพบเห็นโดยไม่ต้องสอน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 อะไรมันจะเห็นไม่ใช่ดูกายมันก็เห็นกายการเจริญสติในการปฏิบัติทำนะมันเกิดการพบเห็นเข้าเดวของที่เราทำอยู่มันก็มีแล้วมีแล้วเราก็ใช่ให้มันรู้สึกตัวได้ต้องการใช่ให้มันรู้สึกตัวเมื่อไหร่ใช่ได้ทันที แต่วความหลงเอาไปใช้มากกว่าความรู้สึกตัวเอาไปใช้แต่เรามีกายมีใจนะความหลงเอากายไปใช้ความหลงเอาใจไปใช้เมื่อความหลงเอากายไปใช้เอาใจไปใช้พอเราจะมีสติเราจะใช้กายใช้ใจนะก็จะมีปัญหาว่างอาจจะความหลงมันจะแสดงออกมา จนสุดความสามารถของเขาเราก็มีหลักของเราลับรองว่าชนะแต่ความหลงกับความรู้สึกตัวนะ่ะความหลงเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะความรู้สึกตัวถ้ามันหลงลงไปตแต่เรารู้สึกตัวมีอมริบุตรในนิมิตในที่ตั้งในกรรมในฐานมีความเพียรอย่าทิ้ง แต่เที่งหลักใครๆก็ตามที่จะเก็บอารมณ์การปฏิบัติแต่เที่งหลักจะไปหาทำใหม่ๆเพราะชงอยากไปลู่จะไปคิดลู่โน่นลู่นี่จะไปคิดเอาถูกเอาผิดคิดว่าจะได้คิดว่าจะไม่ได้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเป็นการปฏิบัติทุนล้วนลู่สึดตัวก็ลู่สุดตัวชื่อชื่ อ, อยาเมีอะไรที่มา ร่วมมากเกิดไปอยากรู้จึงทำไม่อยากรู้ก็ไม่ทำถ้าทำเวลาใดก็เกิดความอยากขึ้นมาและเมื่อความอยากแล้วมันก็เกิดอะไรมาออกเมื่อไรมันจะรู้เมื่อไรมันจะรู้ทำไมมันจึงไม่รู้หนึ่งวันแล้วสองวันแล้วมันก็ต่อไปเอถ้าอยากรู้ก็มีอะไรที่มามาร่วมเยอะแยะตัวมดเลยดีไม่ดีอยากรู้ก็กลายเป็นความหลงไปเลย เพันตั้งต้นไม่ยถูกการปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรมา่มการเป็นการเจริญสติร่วนร่วน ะ, ะมันผิดมันถูกไม่เป็นอุปสรรคมันเป็นประสบการณ์มันเป็นบทเรียนไปด้วยซ้าไปมันรู้มันไม่รู้าจะเรารู้สตัวอยู่เขาใช้ได้แล้วไม่ต้องเป็นรู้อันที่เราไม่ได้ทํา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 กกนอกจากความรู้สึกแล้วไม่ใช่แเดินมารู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วเดินให้มันรู้สึกตัวสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมาให้มันลูกึกตัวแค่นั้นเองการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตรงนี้เรา ก, ก็จะไปหามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปอ่าลำดับลานาอะไร มันจะเกิดตรงว่ามันเกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเกิดก็ไม่เป็นไรไม่เกิดก็เป็นไรอะไรต่างๆเรารู้อยู่นี่เรารู้อยู่นี่เรารู้อยู่เรารู้อยู่รู้ว่าถูกต้องแล้วพยกมมสร้างจังหวะรู้สึกตัวใช่ได้แล้วก็เดินโยงกลมรู้สึกตัวใช่ได้แล้วเราบางเกิดไม่รู้สึกตัวเวลายกมือสร้างจังหวะ เราก็หาวิธีอื่นช่วยเพื่อจะให้มันรู้เช่นอย่างวัดสีภาษาอะไรมันก็เขาเขียนหนังสือเขาเน้นตัวไหนที่ให้เราสนใจเขาเน้นสีวัดสีนี่ก็เป็นเราพิบลูสึกตัวลูสึกตัวสองสามอริบทมันก็กลับมาได้ให้มันชัด เพื่อให้มันชัดกับปริบบ ท, ที่เราสร้างกระดิกหัวใส่ด้วยก็ยิ่งดีถ้ามันไม่ชัดนะถ้ามันเพลีพล้าเป็ น, ป น, ปนสิ่งที่เราทำได้ไม่มีใครบอกที่ยกมือสร้างเชื่ว่าไม่รู้ไม่มีถ้าเราอยากรู้เขาเขาไม่อยากรู้ต่างหาเขาก็ปล่อยความคิดตาหลงไปเฉย เขาก็อยากลุกเขาหาอะไรมาเขาก็เอาอันโนนเข้าอัโน้นไปแล้วก็เสียเวลาผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญสตินี่มันมีให้เห็นทันทีมันลูกได้ทันทีอยู่แล้วนะตาก็ไม่ต้องดูอะไรก็ไม่ต้องไปาหามเราเพียงแต่เรายกมือสร้างเทวดานี่ถ้าจะเก็บอารมณ์เคยเก็บเบาอย่างนี้ตั้ง ต้นอยางนี้ตั้งต้นตรงนี้เราไปจะไปได้สะดวกแต่แปลาเหตุเอาผลเอาความชอบเอาความไม่ชอบไปเอาผิดแปวาถูกไม่ต้องผิดจะถูกก็ได้จะผิดจะได้หรือจะไปได้ไม่เกี่ยวเกิดเท่าไรไม่มีประโยชน์สําหรับเราพูดว่าได้เขาว่าไม่ได้ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราทําที่เรา เกตุลาจิตใจบรรลุต่างหากต่างหาอันอื่นบอกคืนไปทั้งหมดเลยตามความรู้จึกตัวสร้างความรู้จักตัวเอาของน้อยๆเสียก่อนของน้อยๆแหละมันจะเป็นของมากของรู้จักตัวเนี่ยไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรก็จะเพิ่งไปให้ความเห็นจะไปเอาความเห็นมา แย่งกับความรู้สึกตัวมันไม่ใช่ผวมรู้สึกตัวที่มันรู้มันจบแล้วมันรู้มันรู้มันจบแล้วผมรู้สึกตัวไม่ใช่จะเอาเหตุท้าผลมาประกอบมันเป็นความรู้สึกตัวที่มันเป็นความรู้สึกตัวมันถูกต้องแล้วแล้วเราก็ทําถูกต้องแล้วจังหวะที่เราทำเนี่ยเหมาะแก่การรู้สึกตัวที่สุดแล้ว ให้มีรด e ีบดหมายที่จะทําให้เกิดความรู้สึกตัวแบบพอดีพอดีไม่ช้าไม่นานไม่สัน้นไม่ยาวไม่ช้าไม่ไวไม่สัน้นไม่ยาวพอดีพอดีกับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นความพอดีกับรดีบดที่เราสร้างความรู้สึกตั ว, ก, ตวกับอดีบทที่เรากําหนดขึ้นมานี่ มันก็มีจังหวะของเขาบางทีมันก็ไวบางทีมันก็ช้ามันพอดีของเขาเวลามันไวมันก็พอดีที่จะต้องการความรู้สึกตัวเพื่ออะไรเพื่อมันเราวิ่งหนีรถน่ะเวลารถมันวิ่งมาเราจะเดินอ่ทอดท่องอยู่มันก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ที่บทวิ่งเพื่อให้รถไม่ถูกชนบางทีความหลงที่มันไม่ใช่ความรู้ มันก็มีบ้างเหมือนกันเราก็เอาความพอดีของเราที่สร้างความรู้นี่ให้มันเหมาะสมกับความหลงที่มันจะเกิดขึ้นมาไวบ้างชาบ้างอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับความไวความชาการเดินจงกรมเหมือนกันบางทีเราไปเชดว่าเดินหนึ่งชั่วโมงก่บนั่งหนึ่งชั่วโมง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 แล้วเวลาด้วยเวลาที่มันรู้สึกตัวมันก็มีเวลาที่มันก็มีโอกาสเมือนรถที่มันวิ่งทักเดี่ยวมันก็ได้เวลาเหมือนกันบางครั้งเมื่อมันได้เวลาได้ทางก็วิ่งเอาวิ่งเอาแต่เวลาไหนที่มันจลาจรครับข้างมันก็พอรู้จักช้าบ้างไม่ใช่วิ่งเอาตะฟื้ตะฟื้มันก็เกิด ความไม่ปลอดภัยได้การจเจริญสติก็เหมือนกันตะเอาเหมือนเมื่อวันนี่มันก็อาจจะไม่ได้จะเอาเมันเมื่อเช้านี่ก็มันอาจจะไม่ได้เช้านี่มันดีอันนี้ทําไมมันไม่ดีมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องมากมว่แต่ว่าเมื่อมันเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่สะดวกนั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่มีบทเรียนที่ดีกว่าเหมือนคนวิ่งรถในทาง การจราจรครับข้างอาจจะตั้งสติได้ดีกว่าการเลี่ยงแบบทางเปี่ยวๆหรือประดี๋่วง่องนอนะมาทหลับในไปเลยังการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วถ้าถ้าจะให้พูดนะมันมีปัญหาระไตีไก่อนใหมันว่วงลงไปให้มันคิดลงไปให้มันไม่หลงให้ให้มันไม่รู้ลงไปมันจะได้เจ่งตรงแน้แหละ เก่งที่มันไม่ลู่แหละสเตย์เราใดมันไม่ลู่มันลู่อ่ะมันเก่งมากแล้วใช่โอกาสท่านให้มากแล้วมันก็มีโอกาสนั่นอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมใช่ไหมวี่ปฏิบัติขง่วงเนาะง่วฟัดง่องเวยกันมันก็เก่งจากนั่นแหละอะถ้าหลวงพ่อคิดนะไม่ใช่คิดนะไม่มีใครที่ไม่ง่วงนอนไม่มีใครที่จะไม่คิดปกปนคุ้คิดคิดทุกคน แต่เวลานี่ถ้าจะให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเก่งตรงนั้นแหละเก่งตรงที่มันง่วงนั่นแหละเก่งตรงที่มันหลงนั่นแหละนะเก่งมีความองอาจแก้วกล้าอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลาเ ก, กเก่งในตรงที่มันโกรธเก่งในตรงที่มันโกรธเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวจะกลัวอะไรมันไม่ไปเสียภาษานี่บางทีเราไม่รู้เราก็ถือว่าแก้ปัญหาเสร็จแล้วไม่ใช่ มันไม่โอกาสเสีแล้วอาจจะมองงั้นมากกว่าโอกาสดีนาทีทองสําหรับเราแล้วแน่มากกว่ากานะะระดือรือร้นมากกว่าแต่ไดมันปกติก็ค่อยเช่นข้อใดโอ้ยไม่ไม่มรถในชาติเหมืนก็คนขับรถแกบอกพอทะยกจงแล้วขับจะจะง่วงนอนถเถอะไหใตามันลอยเศร้าเถอะคนเดีวมันจึงไม่ง่วงนะงการตื่น ร, ร้อนบางทีมัน มันเอ็ทีฟเพราะว่าภาษาเลยนี่ม <c oughs> ันมันก็เจ็บนั่นนะนการปฏิบัติธรรมก็อย่างนั้นอย่างนั้นจะเปกว่าอะไรพวกเราเจ็บอารมลงไปอยู่คนเดียวลงไปอยู่กับหมู่ลงไปบางทีหนูจะมา ป, ปฏิบัติหนูจะเจ็บอารมณ์หนูจะไปทงวัดหรือเปล่าหนจะเก็บอารมณ์หนูจะไปฉันเข้าหรือเปล่าผมจะไปทํำยังไงพไม่ต้องถามหรอก มันจะมีคำตอบอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าไปก็ไม่ผิดถ้าไม่ไปก็ไม่ผิดถ้ามันมีคำตอบเห็นคำตอบถ้าไม่มีคำตอบไปก็ไม่ถูกไม่ไปก็ไม่ถูกมันอยู่กับเราแท้ๆการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็ต้องในการท้าทายว่าเหนะมือนกับสมัยก่อนเราไปเรียนสยศาสตร์ เขาก็ฟันกันฟันให้ดูจริงๆเขามีการท่าตายแล้วเรกฟันแบบไหนหรอฟันกันจริงๆจนหลังเอ็นไปแล้วต่ำจริงๆฆ่าตายแต่ก่อนที่จะฟันกันมันก็ต้องมีอะไรที่มันพอเพียงพ่อก็เคยฟันหัวแม่เหมือนกันนานที่สุดนะโอเคอาจารย์ก็เสียใจะแล้วก็เพืได้หน่อยแเราทิ้งไว้ตรงนี้เสียหายมาก หลวงพ่อไปเรียนเศยศาสตร์มาเป็นหมอแม่หลงพ่อเนี่ยเป็นผีใช่ไหมแม่สุดถือผีถือผี อ, ผอะไรเยอะแยะไปหมดเลย แ, ลแม่สุดดูแม่หลวงพ่อไม่พอใจหลวงพ่อหลงพอบอกให้เลิกเลิกได้แล้ว เ, เ, เรื่องผีเรืงสังไม่ต้องอย่ไปขึ้นกันหน้ากันแบบอยไปที่ไหนที่ไหนหยุดแม่เขไม่ชอบเห็นหน้าหลวงพ่อหลับทาเลยเอาผ้าคุมหัว มาแต่นาเวลานี่แล้วดูนี่แหละไปทำนามากำลังจะ น, นอนนี่แหละค า, า, า, านลงมาหาหลวงพ่อคานลงมามึงไมรู้จะกูหรือบอกใจน้อยนี่ก <c oughs> ูนี่แหละมาเหตุสักหลักเมืองมรสัินั่นบ่กให้สุดนะมึงจะมาข่มมางาผู้หรือสนาดนัขาวนั่นมันก็ไม่รู้เลยมันก็เคยท่องคาถาใช่ไหมไล่ถี ออโฮสมยศตนยันดอิันโตสวัสดิ์ขยันสมองนปโตอิทธมันตังตีนาหม่อกุมันก็โช่บผีได้ป่ะนพวได้ดาบกันมาโอ้แหศหลักเมืองเลยเนี่ยฟันหัวแม่เลยนี่ยร่มก้อยลงไปโอ้ยมึงมาฟันหัวกูจังได้หัวกูบ่เปนแตกเลยเลยโอ้ยบ่ได้ฟันหัวแม่หอกฟันฟันมาหศหลักเมืองป่ะตันคับเนี่ โอ้ผมเร้าผมผมขาดเลยบางทีมันก็ไปทางนั้นมกันก็โชว์พิมือเหมือนกันเหตุที่มันจะเกิดทำไมเราสู้เราต้องสู้ปัจาอะไรความหลงเนาะความทุกข์าัจจัยอะไรถ้ากูอะไรถ้ากูทำไมกนะ็ต้องสูง้ น, น, น, นี่แหละไม่มค่อยเจ๋งนะตัวขั้วเงาะเงาห่อ น, นั่นเราเห็นอะไรเราเติงกรมเราสร้างจังหวะ มันมีแต่วความง่วงลิบหลี่ลิกเละแล้วคิดจ้อยมีแต่วความคิดยร่องสารอะไรอะไรต่างๆสูาไมไหวทําไมไหวมันไม่ใช่ดอกทําไม่ใช่สติพูดมันเป็นกิเลสมันพูดมันเป็นกิเลสมันพูดก็ไปเข้าข้างมันยืดความรู้สึกตัวเอาไว้ตกขาลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวลงไปะไ ก็ อ, อยากไปพูดว่าหลวงพอ่อคอนหัวแนะม่นะมันเหตุแบบนี้มันเข้าใจกนะันคอนมาเหี้ยสักหลักเมืองคอนมามากแล้วอ่าเรื่องผีเรื่งสามสัง ก, นนกอนเนาะเป็นหน้ามันจะไม่เป็นหมอพอมาเมสติจืดหมดเลยจืดหมดเลยไม่ไดแล้ววันนะั้ไปเสกดาบโดนดาบให้อ่อนมันกับใบหญ้าจืดไปหมดเลยสติดีขว้าไม่เอาเอีกแล้ว นั่งหนังหนาวันนี้ก็ม่เอาอยู่แล้วมันต้องปกติหนังอะไรจะมันหนามีดดาบอะไรจะเป็นใบหญ้ามันหมมเมาตัวเองถ้าฟัานไเบื่องจะหวัวแม่ขาดก็ได้นันก็ประมาทจะได้คนที่เรียนเสรศาสตร์ผิดพลาดมีเหมือนกันนะเตะเขา่าเพชรกันสกักพักหนเนาะพวเรดดาบฟันขาตัวเองนะขาขาดเลยนึกว่าเรีอนจิไม่เหนียวใย่ไหมให้เงินกันนะ อย่าไปเชื่อฮะถ้ามองมีดเป็นใบจ้าผิดแล้วโอ้ยขวนเสียเลยพอมาลูดธรรมะโอ้อาจารย์ไปสอนเราอย่างนั้นพอมาป ฏ, ฏิบัติธรรมกลับไปบ้านอาจารย์บอกว่ามาๆมาม า, ม า, ม า, มานั่งปกผ้าด้วยนี่นี่เจ้าพ้าออกหลายร้อยลกูกคงจะดีแล้วปหาจากหาพ้ า, าก็ไม่นองกพูดออกไปเลยไม่ได้อะไโอ้อาจารย์ อาจารย์จะได้ว่าคนในโลกโง่เหนเราหรือพูไรกันเถห็นไหทำไมพูดถึงนัน้อะไรจะให้นั่งตกผ้าอาจารย์ได้ว่าคนในโลกจะโง่เหนเรารคนเขาฉลาดคนเราก็มี่ม่มันจืดนะจะไปให้อหลงโง่หลงมองไม่เอาพอความรู้สึกัวเป็นสัจธรรมไปใช้เมตดดาบตวมันไปย่ามันไม่ตีวเด็กมันไม่ติว มันหลอกเราหลอกให้เราทำผิดนะ น, นี่ความจริงต้องอ น, นี่แล้วความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แล้วเอาเธอพวกเรามาทางนี่กันเถอะแต่ไปลงที่ไหนเลยเอารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเลยมาเทียนเดอมัน <Yeah. S 1> ไปทางไหนกลับมาไปไหนก็กลับมาไปไหนก็กลับม า, ไไบมาจะเป็นจะตายจะร่ายจะดียังไงก็ให้กลับมา รู้สึกตัวตกขาเลยรูสึกตัวรู้สึกตั ว, ต, วต่อไปไม่ไม่ได้ต้องตกขาตกแขนหรอกมันเป็นถ้าทำให้ได้ทำให้เส็นไม่ใช่รู้มันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่รู้ถ้าเรียนเพื่อรู้เรียนง่ายง่ายบอกตอานี้ก็จำได้ทำอุปการะมากสองอย่างสติความละเอียได้สัมผัสัญญาความรู้ตัวตอบได้รู้จำ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 ใช้ได้ทันทีแล้วก็เป็นสมบัติของกายของใจสถียร์เนี่เป็นสมบัติของกายของใจต้อมหลงไม่เป็นสมบัติของกายของใจหรอกสตีร์นี่แล้วสตีร์นี่แล้สร้างเอาสร้างเอากําลังพอมีลู่มีทางไม่มืดไม่มนไม่หลงกําลังเดินได้นั่งได้ยืนได้นอนได้กินได้ถ่ายได้ สติสมัมปชัญญะเนี่ยเต้องสร้างพอพอกันกับใช่ชีวิตส่วนอื่นหรือมากกว่าอันอื่นด้วยซ้ำไปเพื่อมันเป็นแล้มกับเพ้นไปทั้งหมดมเหลยชีวิตทั้งชีวิ ต, ต่างนี้แต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวจะเข้าเก็บอารมณ์หรือไม่เข้าเก็บอารมณ์หลักมันก็อยู่ตรงนี้นะแต่หลงไปทางอื่นบางทีมันตกแหลงความรู้มีเหตุมีผลโย องเีก็ถนโอถนอมองเีก็มีอาสาธะพอใจจากไปหลงมานหลักมันก็คือการเคลื่อนไหวหลักของกรรมฐานต้นมาอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนต้องกลับมาจะไปเอายอดนั้งต้องมีต้นมันจึงมียอดองเีเช่นฟองรู้มีสติมีปัญญาปัญญามันเป็นผลของความรู้จึกตัว จะไปเอาปัญญาเลยก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างฐานมีความรู้มีความสุขความสุขมันเกิดจากการที่สร้างสติอย่าไปทิ้งตัวนี้ถ้าไปเอานวดเลยอยู่ไม่ได้กี่วันหายหดไปเลยดืดไปเลยต้องอย่าทิ้งฐานเหมนเราเอาเข้าวสารเอาเข้าวสุกมากินแต่อย่าไปทิ้งข้าวเปืือก เราไ่ได้กินข้าวเผือกแต่เรารักษาข้าวเผือกไว้เรากินข้าวสุก ข, ข้าวสารข้าวสุกทาเที่งข้าวเปือกมันก็มีกินไม่กี่วันแม่นบอกพอาะเธอยกอ่าเพือพอเปล่งเท็จหน้าเียหละที่แท่งข้าวเปือกผลแน่นอนให้มาหน่อยกรรมก็คือการกระทํำของเราเนี่ยมันจึงจะมีผลมันมีมากก่อนมันจึงมีผลอ่การปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อย่าไปที่งนะอย่าไปทิ่งหลักอย่าไปที่งฐานเพื่อนไว้มืออยู่เสือก่อนเพื่อนไว้มืออยู่เสียก่อนลําดับลํานําดูเสือก่อนจะเป็นยังไงจะฉุกจะทุกจะรู้หรือไม่รู้อย่าเพิงโดดเข้าไปอยู่กับความรู้จะ่าเพิงโดดไปอยู่กับความสุขจะ่าเพิงโดดอยู่กับความทุกข์เอานั้นอย่าโดดไปโนดหลักมันอยู่ตรงไหนเนี่นิ่งไว้นิ่งไว้เกาะไว้เกาะไว้เลื้อไว้จนมันออกลากออก ต้นมันแน่นหนาวหนเป็นอเสขาธรรมไม่เสื่อมเลยอนต้นไหวที่เราปลูกไว้จากป่าไม้ที่เราปลูกไ ว, กไ ว, ไว้พอที่จะยึดได้แล้วยึดพื้นที่ได้แล้วยึดพื้นที่เราจะเป็นไปได้แล้วที่จะเป็นป่าขึ้นมาพอมันเกิดสรากเกิดลังต้นแข็งแรงไม่ต้องลดน้ำแล้วต่อไปก็อาจจะไม่ต้องดายหญ้าแล้วพอมันก็สร้างตัวขึ้นมา ความถูกต้องกับสร้างความถูกต้องสนงขารมันสดมดุลก็ไปได้เลยกันอานปฏิบัติธรรมก็มกั น, นมันต้องถ้ามันไปได้มันก็ส่องไม่ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันเป็นอเซคาธรรมะได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเซคาธรรมะอเซคาธรรมะใคยได้ยินบ้ว่าต้องขอสวดให้ผีตายเพรว่าจะได้ไหมถ้าวันาตสวดให้คนเป็นๆฟังเขาก็าฟังเลยแต่คอก็ะล่องโป๊ก ออบุนเพอเดอนเดกุสลาธรรมะกุชลาธรรมะอยกตาธรรมะสุขาเจะนาสมประยุตาธรรมสุขาเยวนาบอกคนเต็มบนสอนคนตาเสก้าธรรมะเสก้าธรรมาปนาทรรมาอฉรตาธมาปหตตาธรรมาอัฉรตลมานาธรรมปเหตตาลมานาธรรม พระเจ้าก็ใาอัจฉริยธรรมทที่เป็นภายในแก่แต่นี้อัจฉริยธรรมทำภายในที่มันใช่ได้มนหลงก็ต้องรู้แก่ตัวเองพระนิาธาทำมาไปแก้ภายนอกเขาว่าก็กูเขาว่ากักูนั่นแหละพระนิธาทำมึงมาว่ากักูทํะะาไมมึงว่ากักู ก, กูไม่ลืมมึงอย่าว่าก็บกูพะระนิธาทำภายนอกทําไม่ได้หรอก อัชช ต, ติยรทำมาเข้าหาตัวเองเอ่ตัวเองมันโกรธห ร, รูอรู้สึกตัวหยุดปัดชัตรตากาหยุดได้ทันทีได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องของเราเรื่องคนอือ่นทรไมได้